ความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่ง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะ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 ความทุกข์อยู่ที่จิตเพราะทำผิดเมื่อผัสสะที่เราก็สงสัยผัสสะนี่มันหมายถึงอะไรผัสสะเนี่ยก็คือการกระทบต้องมีตากระทบกับรูปที่มากระทบทางตาแล้วก็มีวิญ ญ, ญาณคือจกักรุปราทเนี่ยที่กระทบกันแล้วเนี่ยก็เกิดวิญ ญ, ญาณคือการรู้คือการเห็นทางตา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 ถ้าขาสติในการกระทบเราก็เกิดทุกทันทีอันนี้ก็เป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งซึ่งสอนแล้วก็ชี้ให้ทาให้ปฏิบัติได้ทันทีเลยผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมานแล้วก็มีกระทาชายในหนึ่งท่านฉลาดในการสอนคนสอนแบบผู้ให้ฟังแล้วก็ทำตัวอย่างให้ดูด้วยท่านก็ไปในที่ชุมชน ที่มีคนผ่านไปมามากมายท่านไปหาพริกพริกขี้หนูเนี่ยพริกเผ็ดเผ็ดเนี่ยเอามาวางไว้เป็นกองๆองรอบตัวเอาวางไว้ท่้นก็หยิบพริกทิลเม็ดเนี่ยขึ้นมาเคี้ยวแล้วก็ขายทิง้งหยิบพริกขึ้นมาเคี้ยวแล้วก็ขายทิง้งนั้นจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งเม็ดแล้วเม็ดเล่าที่ท่านเคี่ยวพริก แล้วก็ขายทิ้งจนน้าตานี้เล็ดน้าลายไหลแต่ก็ยังไม่ท้อถอยนะก็ทาอย่างนั้นเลยไปคนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็นึกแปลกใจก็หยุดดูว่าเอชายผู้นี้นี่ยเขาทำอะไรเนาะมานั่งเคี้ยวพลิกแล้วก็คายทิ้งขายทิ้ ง, างจากหนึ่งคนที่มายืนดูเนี่ยก็กลายเป็นสองคนสามคนมุงดูกันเต็มเลยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะในสมัยนี้ก็มีมาก ใครทำอะไรแปลกๆเนี่โอ้คนชอบไปยืนดูมันแปลกเนี่ยอยากจะรู้อยากจะรู้ ก, รก็มีชายคนหนึ่งนึกสงสัยว่าเนี่ยอ้คนนี้มันนั่งเคี้ยวพลิกเพื่ออะไรกันก็ถามว่าคุณคุณคุณทําไปทํำไมเนี่ยคุณทําอะไรอยู่เนี่ยชายคนนี้ก็ไม่ตอบอะ่ะก็หยิบพลิกขึ้นมาแล้วก็เคียเค้ยวเคี้ยวแล้วก็ขายทิ้งน้นำหูน้ำตาไหลอย่างนั้นแหละแล้วก็อีกคนนึงก็ถามว่าคุณทําเพื่ออะไร คุณจะบ้าเลยพระทายชายนายที่เเคี้ยวพริกนี่ก็บอกว่าอ๋อเรากําลังแสวงหาพริกที่มีรสหวานนะ่ะนี่เป็นการสอนเลยนะเรากําลังแสวงหาพริกที่มีรสหวานท่านผู้ที่อยู่ใกล้สถานที่นั้นก็บอกว่าท่านจะบ้าเลยถ้าจะหาพริกที่ไหนที่มีรสหวานนะ่ะมันไม่มีหรอกในโลกเนี้อ่าตรงนี้แหละ พระทาชายอะไรนี้ก็เลยเลิกหยุดที่จะหยิบพลิกขึ้นมาเคียวถือวาการ ส, สอนเลยวัาพวกท่านก็เหมือนกันสอนเลยนะท่านก็เหมือนกั น, นท่านมุ่งแต่ะแสวงหาความสุขซึ่งความสุขในโลกนี้มันก็ไม่มีเหมือนกันนะมันก็เหมือนอย่างกับเราเนี่ยนั่งเคี้ยวพลิกเพื่อจะหาพลิกที่มีรสหวานในโลกนี้มันไม่มีหรอกความสุขอนะ เชิญท่านแสวงหาไปเถอะท่านไม่มีบันเจ อ, อันนี้ก็เป็นการสอนน่าคิดนะกระทาชายอะไรเนี่ยฉลาดในการที่จะสอนคนซึ่งเราเองก็เคยได้ยินได้ฟังว่าทุกเถ้าองค์เนี่ยท่านก็ตรัอสอนเรื่องนี้เหมือนกันท่านบอกว่าในโลกเนี่ยไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกแล้ว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรดับไปอันนี้เป็นศัจธรรมสแสดงว่าความสุขเนี่ยไม่มีหลักในโลกมันมีแต่ความทุกขจะมีทุกมากทุกน้อยเท่านั้นเองหากว่ามีความสุขสแสดงว่าทุกขมันน้อยสุขกะแปลว่าทนง่ายทุกกะแปลว่าทนได้ยากสุขไม่มีมีแต่ทุกน้อยลงไม่อย่างกับอุณหภูมิความร้อนเนี่ย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 เป็นภาระกายจิตเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์ถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางกายปล่อยวางกิจได้เมื่อไหร่เราก็ความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นเลยอันนี้เป็นวิธีการการจะปล่อยวางกายปล่อยวางกิจในนั้นเราต้องมีการปฏิบัติธรรมมีการเจริญสติทุกข์ใจก็จะหมดไปถึงแม้ว่าทุกๆ ท, ท่านเนี่ยจะต้องดําเนินชีวิต อยู่ในกองทุกนี้แล้วก็ไม่เป็นไรนะเรายังมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้มีสิทธิที่จะเลือกที่จะออกจากความทุกได้ถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่สร้างเหตุของความทุกคือความโลภความโกรธความหลงตัณหานี่ยนะก็คือเป็นที่มาแห่งความทุกถ้าเราอยู่ด้วยการลดละตัณหาลดละกิเลสได้เมื่อไรแล้วก็ทุกมันก็จะคลายลงเหมือนกันจะกลายเป็นความ เย็ น, นยจากร้อนกลายเป็นเย็นได้เป็นกันแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบสร้างเหตุของความทุกข์คือร อ, อดให้มากเอาไว้โกรธให้มากร้องให้มากเนี่ยทุกมันก็จะเกิดขึ้นที่จิตใจเราไปจนตา ย, ยแต่ถ้าเราอยู่แบบปฏิบัติธรรมมีสติลดละเหตุของความทุกข์ในจิต ใ, ใจได้ไแล้วก็ความเย็นดกเย็นใจก็จะเกิดขึ้นถือว่าเป็นความสุขก็ได้สมมุติเรียกว่าคือความสุข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 แค่เรามีความพอใจเนี่ยใจเราก็จะเริ่มมีความสุขละบางทีก็ต้องยอมรับรู้จักยอมรับสุาธภาพในความมีความเป็นของเราเราเกิดมามีร่างกายเป็นแบบนี้นะมีความเจ็บไข้เร่ป่วยนะมีความพิกลพิการรู้จักยอมรับนะอ๋อเป็นเรื่องธรรมดานะการยอมรับเนี่ยทำให้ใจนี่มันผ่อนคลายยอมรับในงานที่เรากระทําบางที งานที่เราทําเนี่ยมันเป็นการสุดจริตแต่ใจเราไม่ชอบนะถ้ามันสุดจริตแล้วก็โอ้ดีแล้วรู้จักยอมรับเราก็จะทํางานแบบมีความสุขได้เหมือนกันงานสุดจริตไม่เบียดเบียนใครเดืเดร้อนได้ค่าตอบแทนเพียงแค่นี้โพรเรายอมรับไอ้สใจมันก็จะมีความสุขอันเนี้ยมันช่วยเราได้บางทีเราต้องรู้จักปล่อยวางปล่อยวางสิ่งที่มันค้างคาใจ ความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจอึดอัดขัดเคืองที่ใดก็ตามบุคคลใดก็ตามที่มันทำให้เราไม่สบายใจเราก็เรารู้จักปล่อยวางสิบะมันเป็นสิ่งค้างคาใจเป็นอารมณ์ที่เราติดยึดอยู่เราลองปล่อยวางดูสักบางสิใจเราก็จะสบายนะพอมันสบายมันก็มีความสุข น, น้อยๆอยู่ในจิตใจเรารู้จักให้อภัยไม่เป็นไรหรอก เลือแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกให้อภัยซะให้อภัยแล้วเนี่ยใจเรามันก็จะเย็นลงเลิกที่จะจับตาดูผู้อื่นซะบ้างบางทีเราหาความสุขไม่ได้เลยเพราะว่าเรามุ่งแต่จะจับตาดูผู้อื่นจับผิดผู้อื่นการจับตาดูผู้อื่นค้นหาความผิดของคนอื่นเนี่ยชีวิตเราจะไม่มีความสุขเลยเป็นทางตันของชีวิตเลยเพราะว่าถ้าเราจับตาดูใครก็ตามถ้าเขา ทำความดีบางทีเราก็อิจฉาเขาใช่ไหมเราจะจับผิดเขาเนี่ยแต่เขาทาความดีนี่อิจฉาเขาอิจฉาเนี่ยใจเราเนี่ยจะไม่มีความสุขก็จึงเรียก ว, ว่าอิจฉาตาร้อนแล้วมันจะนอนไม่หลับแล้วก็ไม่มีความสุขถามว่าเขาทําความผิดทําความชั่วเราไปจับตาดูเขาบางทีเราโศมหน้าเขาบางทีเราหงุดงิดโศมหน้ามันไม่ดีหรอกไปจับตาดูคนอื่นจับผิดคนอื่นเราจะไม่มีความสุขเลย สู่เราหันมาจับตาดูตัวเราะดูกายดูใจเราด้วยสติรู้เท่าทันปัญหาที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเรารู้เท่าทันปัญหาที่มันค้างคาใจเราแล้วก็ละเหตุของปัญหานั้นซะละที่เหตุเลยปัญหามันก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปเห็นหมือนไฟที่มันลุกโชนแต่เราค่อยๆเอาเชื้อไฟออกซะไฟนั้นมันก็จะดับลง เราก็จะใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสงบเย็นเป็นความสุขหละสุขในทางธรรมสุขในทางธรรมเป็นความสุขอย่างยิ่งเลยสุขสงบเย็นเป็นความสุขที่เกิดจากจิตไม่มีกิเลสเนี่ยโอ้ในเป็นความสุขที่แท้จริงเลยเพื่อเป็นไวความสุขสูงสุดกว่าใดผู้ที่จะแสวงหาความสุขเนี่ยอาจจะพบได้ถ้าเราปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องเพราะว่าชีวิตเราเนี่ย เกิดมาในกองทุกข์ถ้าว่าเรารู้จักสแสวงหาความสุขในกองทุกข์นี้ได้แล้วก็จิตใจเราก็จะผ่อนคลายนะจะสบายความสุขเนี่ยสามารถที่เรียนรู้ได้จากความทุกข์ผมยังเคยชอบที่หลวงพ่พุทธทาสได้พูดไว้เสมอว่านิพพานเนี่ยเราหาได้จากวัตฏะสงสารนิพพานมีได้ไกลวัตฏะสงสารวัตฏะสงสารก็คือการ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 เราอาจจะสมหวังก็ได้อย่าท้อแท้อย่า ท, อท้ อ, าทอถอยในการที่จะดาเนินชีวิตเพื่อชีวิตที่มีความสุขเรามีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้แม้ว่ากระทาชายในหนุ่มคนนั้นบอกว่าความสุขไม่มีหรอกมันมีแต่ความทุกข์ดูสิพริกตละเม็ดเนี่ยมันมีแต่ความเผ็ดความร้อนกินไปก็เผ็ดร้อนน้าตาเล็ดน้ำไหลไหลแต่เมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้นี่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 พระองค์ท่านตัดเป็นพุทธภาธิได้ว่านิพพา น, นังปรมามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง